ปริยัตยตามภายในเรียนรู้ปริยัตยินี้ก็เปรียบกันหนึ่งว่าคือรูกตาของเรยลูกตาของเราเมื่อดับลงไปภายในไม่มีแสงไม่มีแสงไม่สว่างเมื่อไม่สว่างก็ไม่เห็นแสงไม่เห็นสีไม่เห็นช่องหผนางอ น, นุตโตมันต่างกันไหมริยัตรู้เหมือนลูกตา จะทางไปก่อนเมื่อเราเรินไปไปไหนก็ดีว่าอาศัยลูกตามองไป ม, มีตามองไปถ้าเดินไปด้วยจะทากิจการต่างๆเป็นเร่งอาศัยลูกต า, า, า เ, เป็นปู่บุบเบลในความมืดในความมัวเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นพระรูนยัยพระธรรมพุทธปรวัติกระทู ทั้งหมดหลักทั้งสีส่ปรการนี้เป็นหลักการเป็นวิชาการของสดมาเกิดทุกคนท่องผ่านมาทุกอย่างอย่างพระธรรมอย่างพระวินัยอย่างตระเวนอย่านพุทธาลูกเวทระอย่างพุทธปฏวัตชนทัศน์อย่างที่เราเล่าเดียนะให้เข้าใจว่าไม่ใจ่เรียนมันทึ้งนะี่เรียนไปให้มันรู้จัก รู้จกักแปรปฎิบัติตางความรู้ของเราทีเา่เราเรียนา่าไม่มีเสียหายอะไรเลยไม่มีทางมันเสียแล้วอไอ้ความรู้ข้างนอกเป็นปริญญาต น, นมันเป็นของมีคุณค่าน้อยไม่เป็นของมีคุณค่ามากโดยตรงมันเป็นอย่างนั้นมันจะมีคุณค่าเมื่อเวลาเราหยิบเอาข้อความนนอันใดอันหนึ่ง ขึ้นเป็นสาระประโยชน์ในพระธรรมยุนานมาปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเข้าใจเห็นอะไรเห็นความผิดเห็นความผูกเห็นเจ้าของเองไม่เห็นคนอื่นนีจักเห็นถ้าหากว่าเราเอาไว้ข้างนอกนั่นไปอยู่ข้างนอกถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเรา มันก็หยุดทันในใจของเราจริงอะไรที่เราเล่าเรียนมาเป็นปริยัติมันมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติมากมายเป็นต้นว่าเราจะปฏิบัติสมถะกรรมถานาานิพพ า, านกรรมถานเรียกว่าปฏิบัติธรรมกันนี่แหละหลายๆเรื่องมันจะผ่านไปอืม ถ้าหากว่าเราน้อมปฏิญัาิข้ามาไว้ในใจของเรามันก็มีพลังมันก็มีกำลังมันมีความรู้สึกซึ่งดีกว่าที่เราเรียนมานี่ถ้าหากว่าของที่มันมีประโยชน์ถ้าเราไม่น้อมเข้ามาในใจมาประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้ืม จึงทําให้ปริยัตนั้นมองถิวเรินแล้วก็เห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะปริยัตหรอกมีดเล่มหนึ่งที่มันมีคมมันคมคมเวลารับแล้วเราเก็บมันไว้ไม่เอามาใช้มันก็ม่เป็ประโยชน์ถึงคมมันก็มีเป็นประโยชน์ถึงไม่คมมันก็ไม่เป็ประโยชน์การศึกษาแล่าเรียนปริยัตนี้ก่อปีกัน เราใ่น้อมเข้ามาให้ปฏิบัติไว้ในใจของเราแล้วปริยัตินั้นไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าปริยัตนั้นไม่สมบูรณ์การเรียนที่การรู้ปริยัตนั้นไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่มีพ่อปฏิบัติไม่ไม่รู้จักคุณของปริยัติการที่เราเราเรียนมา ไอ้ปริญญานี้คือเรียน่ปให้มันรู้จักละมุ่งมาปฏิบัติเช่นท่าสอนอย่างไรท่านกล่าวถึงอะไรต่ออะไรทุกอย่างโดยมากกว่า ม, มีอะไรนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเป็น ท, ง ท, งทงางทำทางยีนายนั่นแหะรวมมันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทางนั้นเป็นคําสั่งแล้วก็เป็นคําสอนถ้าเราพวกพระมีในเรา เรียนไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ไปฏิบัติเหมือนกับมีดเล่นนั้นเนี่ยมันจะคมอยู่กับจิ้มันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่เอาไปสร้างประโยชน์อันนี้กฎวัตถุกันฉันนั้นจะนึกว่ามีดเล่นนั้นไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีปัญญาที่จะทําทำรรยีในที่เราเรียนมานี้กฎวัตการฉันนั้นเนี่ยเรียกมันมีดเล่นมันค ม, ผม ถ้ามีวีผู้ฉลาดสามารถเอามีดนั้นมาใช้ประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์เอาใช้ไปทางผิดมันก็ผิดเอาใช้ไปทางถูกมันจะถูกเพราะฉะนั้นแหระในไป่นกายมีดเล่มนั้นมันมีคมเเฉยไม่มีความสามารถทําการงานอะไรทุกอย่างให้เกิดประโยชน์มีดเล่มนั้นมันคม เท่าเทกันเหมือนกันคนยังม่มีปัญญาเอาไปสร้างประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์เป็นน้อยถ้าคนมีปัญญานั้นเป็นตนก็สร้างเอื้อใย่านั้นจะทําประโยชน์ได้ประโยชน์มากฉะนั้นเมียกตรวคมตัวดีนั่นเป็นเพราะคนทำไม่ใช่เป็นเพนาะเมียสริระธรรมนี้เ็เหมือนกันอืม เป็นแนวชี้ทางให้พวกเรารู้จักผิดถูกถ้าเรารู้จักผิดถูกเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ปฏิบตัติเราปฏิบัติเมื่ออะไรมันผิดเราก็ไม่ต้องทำมันเลิกมันอย่าไปพูดมันอย่าไปทำมันอย่าไปใส่มันนี่เรียกว่าปฏิบัติ อันใดมันเกิดประโยชน์นั้นน้อนมเข้ามาในจิตใจของเราให้ประพฤติธปฏิบัติตามกระแสธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติด้วยฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติปาิยัตคนเกิดประโยชน์ขึ้นมารู้เนื้อแท้ของธรรมะรู้เนื้อแท้ของโอวาทของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพวกเราทั้งหลายทุกคนทุกองค์ทุกท่านย่อ น, นี้ จะเป็นนักสนตรีก็ตามนักสังโทก็ตามนักสังอืก็ตามเลยผูกปริยัติอดรมมาทุกทุกขั้นแล้วถ้าหากเวลาระกันสนใจจะเป็นนักสนตรีก็ตามนักสังโธก็ตามนักสั้งอืก็ตามถ้าเราพากันสนใจในปริยัตินั่นก็เอาปริยัตินั่นมาปฏิบัติ อันใดมันคิดก็เลิกมันมันก็ไม่ผิดอันใดมันถูกก็น้อมามาประพฤติปฏิบัติไปเจ้าให้ง่ายเช่นว่าให้สังวรสังรวมทำไมถึงสังวรสังรวมเรามีตามีหูมีจมูกมีริน ม, มีกายจิต อันนี้มันเป็นหนทางนำอารมณ์เขามาสู่จิตของเราถ้าราถ้าเราหรอบรู้ในอายตนะหนายอยู่มันก็รู้จั ก, กจิตเพ่จะกลูกเพราะนั้นพระพุทธเจ้ากันจใดให้สังวรแค้แต่สังวรวมว่จิตใจ ให้ใจเป็นผู้ฉลาดให้ใจเป็นครูให้ใจเป็นผู้เห็นให้ใจเป็นผู้เป็นธรรมะเรียนธรรมะต่อตามจ ะ, ะรู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะทั้งสี่ประการนี้ยังไม่ถึงประโยชน์เท่าที่ควร จะเกิดประโยชน์โดยสมมูรณ์นี้ก็คือสป่งพูดเป็นธรรมะคิดใจเป็นธรรมะเราพูดอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นเราคิดอย่างไรเราก็พูดอย่างนั้นเราปฏิบัติอย่างนั้นสอนคนอื่นอย่างไรเราก็สอนตัวเราอย่างนั้นสอนคนอื่นอย่างหนึ่งสอนเราไปอย่างหนึ่งเรียนรู้อย่างหนึ่งการประพฤตปฏิบัติไปอย่างหนึ่ง อันนี้มันไม่สประโยชน์ดังนั้นสิ่งทั้งหลายนี้จึงมารวมข้อปฏิบัติอันเดียวเมื่อปฏิบัติแล้วมันจะเกิดผลคืออะไรที่เราไม่เคยสังรวมเรามาสังรวมมันเสียเมื่อสังรวมมันมันจะมีเรือดน้อยมีอารมณ์น้อยมีความตะขิบตะขวงในใจของเรามาน้อยมีความรู้สึกมากมีความตื่นตาตื่นใจมาก จะยืนจะเอนจะนั่งจะนอนก็เป็นผู้มีความรู้อยู่อืมสังวร อ, อยู่สังรวม อ, อยู่ตลอดกาลตลอดเวลาเมื่อเราสังวรสังรวมอยู่เรารู้จกักผิดเรารู้จกกักผูกอะไรมันผิดมอะไรมันอะไรมันผูกเราก็นอนขึ้นมา ป, ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วมันก็เกิดปฏิเว คือผลอันเกิดจากการศึกษาเรืเรียนสระธรมีกหน่มันก็เกิดขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวทปริญัตปฏิบัตปฏิเวทหลังของมันเป็นอย่างนั้นปริญัตก็เพื่อให้ปฏิบัติเกิดขึ้นมาปฏิบัตเพื่อให้ถึงปฏิเวทคือทางพ้นจากไจทางหลายนั่นเรียกว่าผลที่เกิดขึ้จากการเรียน อันนี้เรียกว่าปริยัาายติทางนอกปริยัติทางนอกอ่านตานตัวหนงังสืงาาอจินดาตาหูเจมูคลิมตายใจอายะตนะมีอยู่อย่างนั้นแต่ว่าอายตนะอย่างนั้นเป็นอายตนะทางนอ ก, นอกเป็นตัวหนังสืงอ เป็นตัวหนังสือแต่รูปกระจายอยู่กับเราหูมันเป็นตัวหนังสือแต่พบในตําราไม่เห็นเนาะไม่รู้หูมีเจตัวหนังสือว่แต่อูเจตตอ ห, หูเจ่ว่าหูมันอยู่ที่เราจมูกเป็นอายตนะอันหนึง่งเมื่อเราเป็นมองผูในตำราก็เห็นตัวหนังสือเพราะจะมูกมันอยู่ทีเรา รู้ก็เป็นตัวหนังสือเรื่องมุมสีม่อะไรมีเป็นตัวหนังสือรู้อยู่ในมุมีเราตายไปดูเรื่องหนังสือก็เห็นเป็นตัวหนังสือมาเห็นตายเยอะไปดูข้างนอกมันก็เป็นตัวหนังสือตัวความรู้สึกเป็นอยู่ที่เรานี่น้อมบริยัติทางนอกเข้ามา มาดูที่ตัวเราทงหมดตาหูจมูกจีนปลตตัวบริญญาต์ถผู้เรียนบริยัตน้อมกันมาจุนี้จะมีอายันัอยู่ที่ตัวเราตาหูจมูกจีนปใจถ้าเรา ม, ามองลุ้นตาเราเข้าไปตาสํางน้อมที่ใจเห็นรูป เมื่อเห็นรูปมันก็ต้องเกิดความรู้สึกขึ้นมารูปนี้มันสวยรูปนี้ไม่สวยรูปอะไรมันสวยแล้วตัวกำหนัดในรูปมันน้ำรูปอะไรไม่สวยแล้วตัียดมันนี่เบียดมนดยดนันเกิดอยู่ตรงนี้ปริญญาต์มันชี้อยู่ข้างในมันอยู่อย่างเนี้ปฏิญญาข้างนอกคือตัวหนังสือถ้ามันไม่จับหนังสือไปอ่านเป็นผู้เวลา พลาน้อมเข้ามาในตายของเราเป็นต้นตามันก็จะเห็นเป็นปริญญาเรียนปริญญามันรู้มันรู้ตาเห็นลูกมันรักมันเบียดนี่คือมันรู้มันรู้สึกที่เป็นไม่ใช่อยู่ที่ดวงมันรู้นี่เท่ากับปริญญาเรียนในีมันรู้จักรู้จักความมันรักรู้จักความมันเกลียดถ้ามันรัก มันก็ชอบไอ้ความชอบมันก็ให้เราปวดทุกข์ไม่รักมันก็ใเราปวดทุกข์ทั้งรักทั้งเกลียดมันก็ให้เราปวดทุกข์ถ้าเรามาอ่านปริยัติธรรมในมันจะเห็นภาพเด่นเยเห็นตัวโรกตัวโกตัวโลกเห็นทัพนี่ถ้าเรานอนประมาณเจ้าโมฟลีตายจิตสมมัตาเป็นปริยัต ปริยัติเนนี้ปริยัติภายในเราน้อมออกมาจากปริยัติภายนอกนอ้อมเขามาในนี้นดี๋ยวปริยัติตาจะเป็นปริยัติหูจะเป็นปริยัติจมูกจะเป็นปริยัติลิ้นจะเป็นปริยัติกายก็เป็นปริยัติใจก็เป็นปริยัติเพราะมันชี้แนวทางให้เรามันรับมันไปที้แนวทางใหเราม่นเบียดมันกปชี้แนวทางอะไรให้เราสารคัดอย่า ง, างทางอายะนะนั้นนี่ นี่คือที่เรียนสริญญาตขั้นในโดยตรงถ้าเรารู้อายตนะภายในยเราก็รู้จักการสังวรรู้จักการสังรวมรู้จักจิตรู้จัดปู่รู้จากกาัจ ก, จ ก, จกชั่วรู้จดัดสีเพราะมันเกิดที่นนี่ไม่ใช่ไปเกิดอยู่ที่ดวนี้สีท่านเรียงควากปริญญาต น้อมปฏิญญาธรรมะอันนี้ในใจของเรายิงจะเห็นข้อปฏิบัติถ้าเรารู้ตัวหนังสือเฉยๆไม่เห็นปฏิบัติไม่มีความดีไม่มีความชั่วไม่มีความโลภความโสดความดมเพิ่มขึ้นนีมันเกิดขึ้นที่ใจของเราเพราะฉะนั้นการเรียนปฏิญญาการรู้ปฏิัติเนี้ยไม่ใช่ของอะไรดีมันพ้นไปต้องการปฏิบัติอันนี้รู้ควรรัอันนี้รู้แหละควรวาง อันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบมันเป็นปฏิยัติอย่างนั้นเนีย่ยถ้าเห็นว่ามันชอบแล้วเราก็ปฏิบัติไม่ชอบแล้วแล้วก็ไม่มาปฏิบัติอืมทีอะ้รมันผิดเราก็ปฏิบัติจะเลิกมันรักมันอะไรมันถูกเราน้อมเข้ามาประพฤติไปปฏิบททัติไปให้มันถูกในทางของปริยัตินี่เรียกว่าปฏิยัติภายใน มันไม่เกิดการปฏิบัติถ้าเรารู้จักการปฏิบัติจากปริญญาต้ น, นเราจะไม่เกิดผลมากตั้งใจไหลเฉลี่มาแล้วอืมถึงแม้ว่าเราไม่ไประเรียนตามหนังสือถ้าเรามาตั้งวรตั้งรวมกำหนดลงที่อายุสนะที่มันมีอยู่นี่ก็เรียกว่าเราเรียนก็เรียกว่าเราศึกษา ปริญาณภายในอันนี้เป็นปริญติภายในเมื่อน้อมประมาหิมชาติมันทุกข์ก็เห็นมันสุดก็เห็นมันโลภก็เห็นมันโสดก็เห็นเห็นทุกอย่างเลยที่นี่ปริยญาณนี้ที่ป็นแนทางปฏิบัติเมื่อเห็นปริยัติเมื่อมันเห็นแล้วของเาปฏิบัติละปฏิบัติบำเพ็ญเป็นหัวใจของศรทธาศาสนาอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ชอบอะไรที่มันผิดเราก็เลิก ถ้าปปัปั่นกอการนั้นถ้าปะปักอาการนั้นาการไมังความชั่วทั้งหลายทังปวงนั้นแหละเอตังพุตตะสาสนาอันนั่นเป็นหัวใจพุทธะสาสนาเนี่ยเบียนปริยัติรู้แกไม่ปฏิบัติเหมือนคนทำนาไม่เอาข้าง ทำสวนไม่เอาผันทิ้งเหมือนตันฉันนั้นหนึ่งมากไปกว่านั้นเป็นอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าไปเข้าใจว่าเราเรียนปริญญาแต่เรารููจากปริญญาอย่าเข้าใจว่าเราดีแล้วใช่อย่างนั้นจะต้องมีการปฏิบัติปฏิบัติตามปริญญาที่เรารู่เราเรียนมานั่นแหละไม่ใช่อยีกใจหรก้ก โดยมากเท่าที่ผมสังเกตผมเคยสอนนักเรียนมาสอนมาจังใจก่อนยังไม่ได้มาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรผมเดินพิจารณากลับไปกลับมาแล้วผมก็ะทิ้งลึกกว่าได้มาปฏิบัตินื่งพูดกระบุ้นทัน้งหลายอยู่ในเวลานี้ ผมเบื่อแล้วผมออกมาแล้วที่มาวัดต้องบะโงนี้ก็มีท่าควบจะมามากอีกพอสมควรที่จะคนไม่รู้เรื่องทั้งนั้นผมก็เลยคิดอีกทีหนึ่งว่ารู้อยู่ว่าพระสมถานอยู่ในป่ารดยมากท่นในเรียนมังซีกันเพราะทำไมถ้าเรียนปริยัติขึ้นในวัดป่า ในขึ้นุมสมฐ า, านพวกภาวนาเราทุกสาขาทุกสำนักเสื่อมมันเสื่อมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงผมก็าหา ม, มูลเหตุมันซะว่ามันเสื่อมเพราะอะไรปีหนึ่งพระเนรมาจำพรรษามีเแตาพระไม่ดูเรื่องเราอุตสาห์มาสอนให้ทีนี่ในสอนมากก็สอนสี่สวันแล้วนันเนี่ เกตุองค์ชอบได้หมดทุกองค์เลยสอนจริงๆฉันจะหันไดสอนในตลอด6กโมงแจงกระถู้มันมีกระดาษนะมีใบไม้ต้นในป่าไม่มีกระดาษเขียนนะห ใ, นหให้แจงกระถู้กระปากเลยเทศเลยปฏิภาณเลยทุกคนชอบเลยท่านเกตุองค์ทีนี้นีการตอบได้แต่ว่า ขนคของการปฏิบัติคือจางไปจางไปจางปัดเมื่อเรียนปริยัติจบแล้วเปลี่ยนนิสัยเลยพระองค์นี้เคยสังวนสังรวมไม่อึดอัดเอี๊ยหาเน้นรงนี้สงบระงับสั่งแต่ก่อนทั้งฟูนั่นแหละเมื่อเรียนปริยัตจบมาแล้วนะ่ะ ถ้าไม่ค่อยจะดีสเสียมเสียมนัยาะเนี่ยผมไม่พูดแต่ผมสังเกตจ้องเห็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นเพราะมันประชุมกันอย่างจิตใจของเรานั้นพยาพพยามท่องพยายามบ่นพยายามจดจําอะไรต่ออะไรหลายอย่างเลยวุ่นแล้วก็เอาพระเนรไปรวมกันสอนแต่ก็พูดการอะไรการวุ่นวายหลายอย่าง ก็เลยเป็นเหตุให้เราลืมหลักที่เราประพฤติปฏิบัติอันเดิมริ่งเป็นเหตุให้เป็นนิสัยรวมกลุ่มรวมพวกเข้ากันแล้วพูดพอพูดมากพูดหลายพูดไม่เป็นสระประโยชน์สารพัดอย่างได้เกิดเป็นว่า เรียนปริญต์เสื่อมมันเสื่อมไม่เสื่อมเพราะปริญต์มันเสื่อมเพราะเราไม่ปฏิบัติตัาง h e a ไปตามประเด็นเสิเบียดมาทำไมที่เป็นอย่างนั้นมันลูนไปมันเผลอไปอะไรต่ออะไรมันวุ่นเมื่อร่วงตูมใหญ่แล้วนั่นทอดออกไปนได้ เหลือนต่คนที่มีปัญญาเข้าในกลุ่มหมูกมม่กมเหมือนใอยู่คนเดียวออกจากพวกก็ ม, มืนอน่คนเดียวใจมันตั้งมั่นอย่อย่างนั้นอันนี้มันหาน้อยในความว่าปิญญาปีนั่นผมไม่เลิกท่านปะกูสุพตบอกวันนี้มนสอนอยู่ผมไม่เอาแล้วทำนี่ก็ทำดูเหรอมันจะเป็นยังไงทำดู เลยเป็นพระที่จะสอนยากสามเณรที่สอนยากไม่ตัวอยากติด ก, กันมุ่นนี่ผมเคยเห็นข้อมูลของการปฏิยัติว่ามาสอนหรือมาเรียนกันในสํานักพระธรรมฐานเนี่ย ม, มันชอบเสื่อมไม่เสื่อมข้อเรียนปฏิยัติ มันเสื่อมเพราะคนมันโง่มันลืมตัวพูดมากโูดร้ายพูดเป็นสาระประโยชน์นตลกแตนองเป็นคนที่มีมายาสาไถสารพัดอย่างมันเป็นเพราะอันนี้เสื่อมต่อมาอีกก็หยุดมานานเหมือนกันเมื่อมีลูกหลานคนลบุชถูกหลานทามาบวช ผมระมองไปอีกแง่หนึ่งว่ามันจะโง่ยังไงอย่างไรถ้ามันปฏิบัติไม่ได้ก็ดีกว่าให้มันดูปริยัติไวบ้างก็ดีตอนี้จะย้อนกลับมาอีกที่นี่ผมไม่สอนที่นี่จัดพักท่านสอนให้เมื่อท่านสอนเนี่ยท่านพยายามสอน แต่เรามองในสายตาพลังไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรอสมกับที่ว่าครูอาจารย์ลงกําลังลงทุนแนะนำสอนกดนักเรียนไม่เห็นประโยชน์เท่าที่ควรนี่มันเช็นอย่างนี้ตามที่ผมชี้นายอยู่นี่เท่าที่ผมทําการงานมาหลายปีเหมือนกันเนี่ยเกี่ยวกับพวก กระยานมิตรทางหลายนี้ไใ่ใ่คนทำไปเฉยๆถึงแม้ผมพูดตอดีหรือผมไม่พูดตอดีองงคนส่งตามผลงานที่ทำมาอยู่เสมอที่นี่ก็เลยในความว่าการเรียนปริยัตินี้ในสำนักจิกรรมฐานที่สงบนี้เชื่อมแน่เชื่อมมันเชื่อ ม, ม มันไม่เสื่อมเพราะการเรียนปริญญามันเสื่อมเพราะบุคคลที่โง่ไม่ฉลาดไม่มีความสามารถี่สังเกตดูนั่งสมาธิเนสมัยก่อนไม่มีอะไรมากนั่งสมาธินีมันสงบตลอดมาถึงนักเรียนทุกวันนี้น้อยองค์ที่สุดนั่งสมาธิเลี้ยวลุกไปแล้วปไป้ะไปรปไม่จัง ไม่ถึงเวลาควรจะไปก็ไปครูบาอาจารย์สอนเยอะหน่อยควรติดไปก็ไปไปปวดอุจจาระเล็กน้อยปวดปัสสาวะเล็กน้อยก็ไปนี่ทันเนื้อกันตัวเล็ก น, น้อยเป็นตัวนี่ก่็ลุกนี้ไปทารพันอย่างวันหนึ่งผมมาจากวารินที่มาจากที่ไหนไม่รู้มีนีนองหนึ่งกำลังพระสันต์ดรวจมลเทศแล้วก็คนนั่งกรรมาฐาน ผมมาจากนอนเดินมาเห็นสมเด็จองหนึ่งนอนเหยียดอยู่หนะลังตลาถนดหน้าศาลาพรนะท่านนั่งสมาธิสมเด็จมานอนเหยียดท่าน ม, มามองเห็นโอ้โหมันเนเทียดเตือนเนะี่ยมาดู ด, ดูอ ก็เอาข้าไปจะเกลยกลื่อนพอมองแกตัวก็ูป่มันข้เกียมันขี้เกียจหรือไม่เจนห่รือนั่งสมาิรวมกลุ่มไม่ต้องออกมาทันั่งข้างนอกออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ในอยู่ในสไลมันจะตายน่ยใจมันจะขาดหรือไม่ออกมาแต่ต้นก็นั่งกับปลโลกง่งวงนอนพอนัง่งเึรง่วงนอน อ, อ, ยอย่างนี้ไม่คนไม่ทานมดกำลังมดความเพียรมดการอดทนดความอดท น, นสแสดงว่ามันโง่เกินีดีดดดดเรียนไปเรียนไปจะหาความสามารีกันอย่างนี้มันต่อยากมาวยันตื่นมัตื่นเรือ ใครมีสามเท่านี้เนะน่ะดีที่สุดแกนะมันมีถ้าเราท่านไปท่านที่รเรียนมาเนะ่เราไป็นคนไม่จุด้องเลยนะดูพวกเราอ่ะเราไม่ปฏิบัติเส่นใครปฏิบัติเราไม่สอนกันใครจะสอนกันเก็บให้เราม่ดูกันใครจะดูกัน พ่ม่เนาไม่มีอยู่ที่นี่ไม่มีทุตตะองเป็นพ่อของเราคําสอนเป็นพ่อของเราเป็นผีครึ่งที่อาศัยของเราเราจะปฏิบัติตามธรรมะทั้สอนของทุกคนเป็นเจ้าทุกทีทุกส่วนพยายามทำเ่ยจะได้มีกําลังจะมีบุญจะได้อยู่สบายจะได้กินสบายจะไม่โอ้นจะไม่ยาว ถ้าเราทิ้งพระพุทธเจ้าสปแล้วไม่จะอาศัยใครไม่มีที่อาศัยแล้วให้คิดคิดดูทุกท่านในพวกเหตการ น, นั่นเง แค่มต่ำใจไปแล้วจะ ต, ต้องแก้ไขธรรมเนียมเนี่ยเล็เเกๆไม่รู้ว่าจะขาที่ไหนอะไรมาตรงกอนไป mm hmm. พอเป็นง่ายประโยชน์ที่การอยู่ที่นี่มัน น, อน้อยจะให้นักเรียนนักเรียนทีนน่มีความแค้นจะมาโนกนตั้งเกลี่ขึ้นไปยกเขาทำแต่เช็ด mm hmm. ทั้ทั้งนียนพระอะไรเนีนอะไรเี เน่ยตัวเรนนีโอ้เสียหายอย่างมากเล ย, นะยเสียหายอย่างมากมืนเหมือนกระดิษฐ์พายุมันมีการสาดมัมีรไหวมันมีการสังวรสังวมการไปการมาการปวดการจาเาระพยออย่างคล้ายๆกับะะเรือในถูกอบรม อันนี้เป็นส่วนเสียมเป็นส่วนเสียเจยุวัตตะพงอยู่พวกในชะดวยอย่างนั้นเนาะก็ผมไม่เด็ไปที่ไหนก็ อ, อยู่ที่นี่อนนี้ญ า, าติโยมมาศึกษาธรรมะโม่ถ้าเล็กง น, น้อยก็คงอยู่คอ้อบกอีวผมไปนีตามเป็นนั่นเหมือนยังควรตัดหลังงานยากครับเข้มทีนะครับคนที่อยู่หลบดีไอ้ความจริงๆเขาใคอันหน้าสันชู ไปเรียมหรือทุกๆคนที่มีพษาพอสมควรมาให้มีอำ น, นาจให้สอนพระให้สอนเกมให้เป็นประธานอย่างนี้ก็ไม่มคยได้ผลก็คงจะเป็นว่าสอนนั่นไม่ได้ผลนี้ไม่มีใครทะเลาะไม่มีใครสอนความไม่ ม, ม, มีใครอะไรต่ออะไรนี่ยโดยจุดไม่มีกำลังใจที่จะแนะนำ ส, ำสอนที่สบอยไปตามเรื่อง อย่างนี้เห็ุการณ์ที่วัดน้องประโคงเนี่มันทกวันจะโสไปคือวันโสมบัดมันจะโสมมันโสไปมันโไปดีดีเคยสังเกตไหมว่าถ้าว่าผมดีนีดแจากวัดประโคงเนี่ยมันเศ้าคือ เป็นเพาะอะไรข้อราคาการจี่เจริญมามก็จะดีแต่พูดเจ็บปาตัวเจ็บปากบเทาไม่ที่เจริญงามสิวิวการกดขันไม่ทีนาเสียวิวการนุ่มหอมไม่ที่นาเสียวิวห์การพูดจาบาดใสทุกส่วนเป็นต้นไม่มีสิวิเวยหมด ไม่รู้ตัวน <describes> ันไม่รู้ตัวไอ้คนที่มันเป็นอย่างนั้นไม่รู้ตัวไอ้บาคนที่มีความรู้มีความสนึกมามองอื่นทักษะที่มีทักษะทั้งมดเเขาไม่รู้ตับางทีก็บรรทุอะไรมาถามนู่นก็อยู่ไม่มอยู่ตอบเร่ไปมันนอยลงน้อยลงอันนี้มันแค่นี้ะ ลองคิดอยู่ที่ฐานของหลายว่าเพื่อผมตายไปนะนันจะเป็นยังไงดูสมมติว่าผมตายไปนะมันจะเป็นอย่างไ ร, ไนะงไรแล้วมีใครตั้งใจอย่างไรนาะจะคุ้มครองรักษาที่อยู่ที่อาศัยที่น่ผมเลยพยายามให้มีทุกสิ่สทุกอย่าง ก้าคิดสุดสุดดูสุดราวังเนื่อพวกเราระวัางระวังมันอยากจะเป็นมาอย่างนี้ทุกที่เลยม่รู้ความจริงไงเพรว่าคนเราเนี่ยมันอาศัคนอยู่นตม่อแหวใส่ตัวของเราถ้าไม่หใส่ตัวของเราก็าไม่ช่วยตัวเรารา น, นนั้นแหละนี่กบ่ เช่นว่าบริหารอะไร ต, าต่างๆที่ควรใช้ในวัดเราถ้าไม่ใช่ของเราเลยเาไม่เสียดจัดเจ็บจมีสบเสียดแยแยดูแต่ทนะก็ทไมก็เห็นว่าให้ใช้ของเราไม่สนใจนี่อันนี้มันทีเดียวเท่านั้า กาศรศึกษาเล่าเรียนมาเรียนมาทำไมไม่รู้ในส่วนประโยชน์ซึ่พวกเราที่เรียนมามันเกิดประโยชน์หาดีด น, ด น, ด น, น, นี่แหละอยู่เฉยๆจะได้แบนีคนมาสอนให้เรารู้เราถนัดนี่นะเมจอนขางนอก้องไปเรจ้างเขามาสอนนี่สอนในวัดต้องว่าคงมีใครจา้า มีทัสอนบางวงก็คงจะไม่จับใจนหรเพราะผมเหนื่อยน่นหมดสุดทันใครรับครูบาอาจารย์ตองสอนไปเาะนีพวกเราจะทกันยังไงคิดกันยังไง่อเรียนา ตอนนี้ไปทุกนลังพลังเน้นตั้งใจปฏิบัติเรียนมาแล้วมาปฏิบัติหรเอาข้อที่เราศึกษานรยกขึ้นมาอีกใจที่เจรณาตามธรรมะที่เราเรียนมานนมันมุ่งคือโยตโยติยย่ไปทิ้งมันจับางคนเรียนมาแไปทิ้งมันไเรียนไม่เของใจ ธรรมะมันอยู่ในใจมันก็ไรกวพฤติปฏิบัติเทนั้นที่วัดของบัวโพนมีปร ะ, ด, ด, รประ ด, ดี๋ยวสาาวัดหนองบัวโพนมีดียจะมีมาจะมีน้อยต่พันธุความพาใจว่าเรากปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติตรงนี้ตรงนี้หอตรง เราจะช่วยกันทำพระศาสนานี่ให้มันเจริญให้มันงอกงามให้มันยั่งยืนไม่ใช่ว่าเราบวชมหาพรสุกอย่างอี่นตอนเนี้มันเข้าตอนวัด้นาน ที่เขาไม่เห็รูุจ่จากการฏปฏิบัติมันเชื่อมไ ป, ไปมเสื่อมไปเสื่อมไปจนกรทังมารู้จักคารู้สึกธรรมอาจารย์ต้องรัดสใจพูดย่อต่อไปนี้วัดป่ามันจะเป็นวัดบ้าง นัป่ามันจะเป็นวัดว่างนับวางมันจะเป็นทะเลาหทะเลาะมันจะคิดแบบเพรชาญดูทีนี้ที่ยาชาทางของคนมีพลังหมือนทะเลาะกันเหมือนกันการโคตรเหมือนกันการเดิไปการมานกันนี่ความโคตของบันทาวุธเราในสมัย ต่อไปข้างหน้านี่วัดป่ามันจะเป็นวัดว่านวัดว่านมันจะเป็นพรหักพรหักมันจะเป็นสัตว์สิริพันธเข้ามาแล้วไงธรรมะธรรมะด้วยด้วยมมันเป็นไหม่ะพระเนรพลวันนึงนึกถึงพระยุหักตรงนั้นเลยมีอะไรมีสังวรสังวรตรงนั้นคือมันเจริญตรงมันแบบนี้ที่เราเรีนพระแล้ว บริสัมอใน่านนะมันเป็นปฏบามันไม่รู้จากพ่อมันไม่รู้จากแม่มันไม่รู้จากพี่มันไม่รู้จากลูกมันไม่รู้กอะไรต่ออะไรเท่านั้นนะส่วนไม่ใช่ทุกคนนะโดยมากมันจะเป็นปอย่างน้นรูปการเล่นกิริยามา ร, รยาทคนทีส่วน ไม่เป็นมีคนอาเซมบัตรักคนนะมันมีคนอาเรมบัตเป็นมนุษย์สี่คนมันมีคนอาเซมบัตเป็นมนุษย์สี่คนดูดูเห็นมันดมดูเถอะนี่น่าจะเห็นพัฒนาน่าจะจริงพอสมที่พวกเาพากันแบกพากันช่วยกันสนับสนุนในทางธรรมะ อย่าให้อาภัพมันเกิดขึ้นมาช่วยกันทำช่วยกันประพฤติช่วยกันปฏิบัติให้นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้าของเรานะั้ทาาทนที่พระมีพระมหากรุณาธิบุรุด เราจะรู้พ่ออักพ่อทานรู้พ่อประพฤติปฏิบัติรู้ดีรู้ชั่วเฉพาะประคุณท่านเราจะ็นช่วยส่น้องคุณท่านโดก า, า, ารประพฤติปฏิบัติการแนวทางของท่านต่อไปนี้เราก็ไม่ได้ศึกษาปริยัติทางหน้าแต่เพาะว่าพ้นริสัที่เราจะเรียนไปสอบไปแล้ว เราควรยกมาตัดมาเรียนปริญญาภายในเที่ยมาทั้งวงันทั้งวันตาหูจมูกยิ้มใจใจให้เหือนธรมะเนาะยางม่เหือนธรรมตการยืนการเดินการนั่งการนอนการพูดการจาสางกัดทังอย่างย่าทำไม่ได้เหมือนธรรมะว่ า, า, า, า, าดีใจ ดูนี่ว่าข้าตื่นหนึ่งนาแล้วเมื่อไงเจริญนาวีมังจุกจุกสังกะโรมีมังปฏิ i าณและเจริงวิธานีมังสังชาติมีนาสุธานีมังอนาจันสังกะวิธานีทุกชิ้ท่านได้ที่จริา ยาบริโภคอุปโภคเหมือนทะเว่าเหมือนประกัลนะใช่ไหมเพื่อเตือนสติของเราทุกเวลาให้มีสติอยูอ่นี่ตอนเ้ามิตาบาทยิีวรขึ้นบนบาปเพราะนึถึงสติสังขายอยู่โสสีมาดังเอาผ้าจีวรมาผ้าสังขามาอูม้ามาแล้ ตั้งจะก่อหน้าตั้งใจว่าเราจะเข้าเป็นพบาสเล็กถึงเสียวัดที่อ ง, งไไค์าสา so, มเด็จพระ ส, ะ ส, มมสรรัมสาสสมาสพุทธเจ้าเราช่วยจะให้พวกเราหยเียร้อยใข้อบพองตระเตรียมไวข้าสวีเดอไปีรับาสสวีสวีจัดมาีท่านไหนเป็นผู้รู้ดูส่อยู่เสยู่ยสยัยากรู ใช้นึกถึงเด็กดีว่าทุกพ่อตอนใดจะมาพบมาทำก็ให้พิจ า, า, ารณาสำโนอาห์ให้มันผสมแต่ควรเพราะว่าธรรมะท่านมุ่งความพอดีเดินไปท่านจะมีมไม่ถึงท่านไม่พอท่านจะมีม่งรมุความพอดีจะปูชาปลาใช้จะพบจพทำจะไจะมาอาศัความพอดีเพราะธรรมะ มันรวมในที่ต้องพ อ, อ, พ อ, องดอีอดอถ้ามันช่างพอดีนะถ้ามันเต็มพอดีนะต้องพอดีเอ่ความพอดีเรจะเหมาะสมยความน้อยสมเราจะความติดถูกต้องีอันนี้เป็นข้อวัดต่อไปที่เราจะกระจายดยตามสาขาก็มีอยู่พระวัดระคงก็มีจะไดินู้ลวงไปพอดีไปถัว บางสถานต้องมีไปในคิดไหนในวนประโยชน์ในคิดนั้นเงินพึ่งต้ม้นมในรังเขมรแมมันจะแยกัสมาชิกแตทางตางเถอะมันไปทำไมมันไปเพื่อประโยชน์เสรีบ้านมันไปเอาอยางไม้มาไปเอาดอกไม้มาไปเอาน้ำพึ่งมาไปเอาน้ำมาทำน้ำพึ่ง ไปแล้วมันก็กลบมาที่เดิมของมันมันรักษาบ้านมันรักษาดวงมันรักษาหลังมันรักษาลูกมันมันเป็นประโยชน์อย่างนั้นเราประจามจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอะไรที่ถึงบ้านของเราคือความสงบคือความระงับคือความสังวรคือความสงบเ ง, ง, ง้วง ชีวิตประจำวันเราต้องให้พิจารณาว่าแบบนี้เราจะอยู่อย่างไรเราพูดอยู่อย่างไรเราทําอยู่อย่างไรวิจใจเราเป็นอะไรนะ้อยต้องรู้จักอย่างนั้นเราจึงจะรู้จักแก้ไขเจ้าของถ้าเราไม่นงินมองดูเจ้าของเราเราไม่รู้จักค้องแก้ไขเราไม่รู้จักเราเราบัจิตเยอไม่รู้จักเราเราถูกเยอะนี้เรียกว่ า, วาตมิมปฏิปทาทุกข์ ไม่รู้จักสวามผิดไม่รู้จักความผูกไม่รู้จักความควรหรือไม่ควรนี่เนี่พิจารณาหลงบางคนก็ศึกษาบางคนก็เล่าเรียนมาจนจะเป็นเมืนเป็นเด็กนิดพอบวชเป็นพระมาต่อไม่รู้จักไม่รู้จักธรรมะแต่ของ หีือ ท, ทำมาจะเป็นเด็กเลยหรือทำมาจะเป็นเมียนเลยเห็นไหมไปข้าวคืนองค์เสมอเจของไปทำให้น้อละสุขีอาจจะทำมงนเคลื่อนออกมาด้ความสุขหความสบายอย่างนี้บำบสมาลยไปะดูว่ากางยืมอยู่ปริวัติตาม ไปทำตามออกจากอาวัสสงสารไปเสียไปวุ่นนับวันมันมากขึ้นนับวันมันมากขึ้นมากขึ้นมีเพราะอะไรเพราะไม่สนใจในข้อวัดไม่สนใจในข้อปฏิรัติไม่สนใจดูหรือซือไม่สนใจดูพราะทองอยู่ไหนเพื่อจะเป็นเครื่องรักษาเจ้าของนี่ไม่สนใจมันเพี้ยเกิดอย่ เราเมื่อเขอามาวัดต้องกระพงหรืออยู่ตามสาขาต่านอะไรไม่รู้เขาไหาครูบาอาจารย์เรียนถามให้เรีรู้อะไรไม่เข้าใจไปรเรียนถามให้มันเข้าใจที่วัดประพงนี่ก็มีหลายองค์ที่จะศึกษาข้อวัดปฏิบัติบางอย่าง ที่ท่นเป็น ค, คนเจ้าแก่จะเรียนปริยัมานี้เต่าตัท่านมาดูดีสส<ม>ัยที่ผ่บทอะไรสงสัยในธรรมดีอะไรท่านจะพูดให้เราฟังตอสมควรถ้าท่านเรียนปริยัติมาแต่ดูดีอตนเรีย น, น, น <c oughs> อ่นนี้เอันนี้เพรามันดีกว่าดีกว่าเรียนในมันดูรสร มีประวัติมาเรียนต้องเดือนให้เขไปทุโลงกับไปได้ว่าจะไปะไม่รู้เรื่องว่าเขาไปอะไรกับทำไมถ้าคนมีปัญญาละสอนเรื่องทุโลงมันเรื่องทีหลังะเรื่องเที่ยวมันเรื่องทีหลังแหละเรื่องเรามาเรียนนี่ยมารู้ว่าเรื่องทุรลงๆไปอย่างไรมีความหมายอย่างไรให้รู้เรื่องอดนนีัต้องกอนจริงไปภาวนามีประโยชน์อย่างไรรู้จับประโยชน์ท่องตามภานาทุกภาวนาทำไรมีประโยชน์อย่างไร เลารูจากประโยชน์ในความทำไร่ไปจนทำไร่ผู้ลงไปเพื่ออะไรนั่นเป็นรู้จากนั้นจะลงเรือนยังไงเพื่อประโยชน์อะไรรู้ก่อ น, นแล้วจุดกอนทำก่อนดีกว่า เ, เรื่องไปส่งธรรมวัต อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันแอบแฝงกันในพวเราเชื่อมามในข้อปฏิบัติ ถ้าไปก็จะไปมีภูวาจะมีหลักานที่จะแน่นอนตั้งใจมาอู่ป่าเป็นยังไงนอนยังไงเดินยังไงอยู่ยังไงให้มันรู้เรื่องถ้าไม่ค่อยไปก็ไปทำจะว่าแล้วไปมีประโยชน์บางทีก็ไปกันนี่ไม่รู้ไปถึ ง, งหไหนกันไม่รู้จัก เ, าเาข า, า, าเปลี่ยนเขาถึงบ่ายเขาเศร้านี้ตาที่เจอทุ่มเขาเรื่อที่นทุ่ทมเหมอันไปเนี่าตัดมขอลาศิษาแล้วทำไมที่เราศิษาผมหมดคาอัะนี้นม่ได้เรืนเน่องนกาประพุทธปฏิบั ต, บต จ, ะจะรีบไปไหนละ่ะเรามีความรู้ความเจรดญัต็มคุ้มคมรอสัติราษฎรกาั ไปที่นู้นจีบที่นู้นไปที่นั่นจีบที่นั่นไม่รู้ว่าพระอะไรเมรัยไปด้วยก็นถึเสียหมดบางองกับมาวัดอะไรไม่กล้าสมาพยายาเสียหายไม่กล้าอันนี้เพื่อเราจะรวมรูพ่อประพปฏิบัติที่ให้มันมากขึ้นเราอยู่ในพ่อวัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเลยจะได้ร่มโร่มสายจริงมันทไม เบรูปใบมันทำไมไใบตัดโพนงมันทำไมที่เราอาศัยอยู่ให้เราคิดดูมันดีดีแค่ไหนเราจะต้องทำตาริยรที่เราเรียนมานี่ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรอย่าทิ้งพระกะดีเมงจะดี หลับการบันดการเนจงรมปียสใจมันเสียหายถ้าเรียนนั่งทำเนยมันขี้เียจนี่โดยมากมันขี้เกียจขี้เกียจอะไรขี้เกียจนั่ขี้เียจเดินขี้เกียจทำวัดนัขี้เหียไม่ขี้เียรงก่อนมันจเียมันตน ดังนั้นตามที่ผมพิจรารนาเรียกว่าได้เรียนมาแล้วคือสิตมันออกมไปจำโน่นไปจำนี่อนรน้างอย่างทาง่ากันได้เสือ่อมไปเพราะอะไรไม่มีสติไม่ตั้งใจไม่รู้ตัวมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคนตั้งใจถ้าคนรู้ตัวถ้าคนมีสติก็ดีสุดยี่งสมุนเรียนปฏิยารู้จักแลส้สอบปฏิบัติ แต่สมดุลในผลสมหมายเรียกว่าปริญัตเป็นเหตุให้ปฏิบัติถูกปฏิบัติเป็นเหตุห้รับผลอันสุดนาจากปริญัตปฏิบัต์นั่นเองเรียกว่าเป็นปฏิเวทไอความจริงมันเป็นอย่างนั้นราทนอยอยากจะเป็นอ่งนั้นมันเป็นเพราะอะไรนี่ให้ประการสร้างให้กการสร้างใจ กับปกุฏติบัตอบตอไ้มี่อยู่นะนี่มหวัดอยู่ไม่ได้แล้ววัอยู่ไม่ได้ไนะมิเสียมไปทุวันโดนโซนไปทุ ว, วันทุวันท่าวงพิจนาดูนีเอาวันนี้อาจารย์เหียมที่เป็นประธานนท่านทั้งหลายมารุปสรร ว, วัด อันนี้จะต้องเป็นกามที่สมควรพ้าเล็กเงินน้อยควรจำไว้กำหนดไว้